ปฏิบัติเพื่อคนทุกปัญหาไว ม, มากถ้าปฏิบัติเพื่ออืนอ่นๆปัญหาก็มากปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ก็ต้องเดินทางรักพิจารณาสังขารและกองทุกขตามเป็นจริงของสังหารได้ในโลกล้วนอนิจจังได้ในโลกล้วนทุกขังได้ในโลกล้วนอนัตตาอย่าสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย เห็นทุกขณะจิตหนึ่งก็เห็นโรครอบหนึ่งแล้วเห็นอณิจังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโรครอบหนึ่งแล้วเพราะโลคเต็มไปด้วยอนิจังเต็มไปด้วยไตรลักษณ์เป็นเมืองขึ้นของไตรลักสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโรคโรคคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โรคที่เราอาศัยอยู่นี้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 สังขารทั้งหลายและเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วกวาแปรปรวนดับไปหาถาวรม่ได้ติดต่อกันจนเป็นพืชสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นก็จะดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็จะดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็ในปก็ดับในปัจจุบันเหมือนที่เราพูดอยู่นี่เรียกว่าปจีสังขารเกิดขึ้นเดียวนี้ควาแปรก็ดับเดียวนี้ เป็นทอดทอดถี่ยิบความนึกคิดก็เหมือนกันนึกแล้วก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปพูดแล้วก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปนี่คือสังขารอันละเอียดใช่หรือไม่ส่วนทุกก็มีทรัพย์ยศอยู่กายสังขารสภาพอันแตกกายาวิชีสังขารอภาพอันแตกวาจาจิตตะสังขารสภาพอันแตกจิตก็ล่วงไปล่วงไปติดต่อกันจนถี่ยิบสังขาร ละเอียดก็เกิดขึ้นอย่างละเอียดแปรเปลี่ยนอย่างละเอียดนโมทัสสาโพธโรโตสมาสัมพุทธัสสานี่หนไหมความว่าสัญญาสัญญาความจําเกิดดับเร็วที่สุดเหมือนพยับแดดนมโมทัสสาโพธโรตโรสม า, มาสัสสานโมทัสโธโตมามตสมามุปัสสาเร็วเท่าใดก็ยิ่งเกิดเร็วดับเร็วชั้นใดก็ดีเมื่อรู้ว่าสังขารทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างนี้ก็เห็นภาพพส โรคทั้งปวงทั้งภายนอกภายในทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งไกลทั้งใกล้แล้วความชี่โยทยานในสังขารในโรคทั้งปวงว่าห้ามเบรกลงเพราะเหตุใดก็เพราะเห็นพ่อกระกลมหายใจเข้าออกชัดพอเราบัญญัติว่าลมหายใจเข้ามันก็เป็นอดีตไปแล้วพอบัญญัติว่ากลางลมมันก็ล่วงไปแล้วพอบัญญัติว่าท้ายลมมันก็ล่วงไปแล้วพอบัญญัติว่าเวลาหายใจออกอต้นลมอยู่ที่สะดือ มันก็กลายมาเป็นกลางลมที่หน้าอกกลายมาเป็นท้ายลมในปลายจมูกอันนี้ยังไกลหายใจเข้ากระทบเพดานเบื้องบนหรือริมชีปากเบื้องบนก็ล่วงไปแล้วหายใจออกกระทบปลายจมูกก็ล่วงไปแล้วหรือตั้งไว้ที่ตั้งจมูกทีนี่ลมหายใจเข้าล่วงไปแล้วลมหายใจออกล่วงไปแล้วลมหายใจเข้าล่วงไปแล้วคําพูดก็ล่วงไปล่วงไปอยู่ณนะที่นั่นเองนี่คืออันนี้จังอันละเอียด สิ่งอื่นๆไม่ต้องพูดนอกจากนี้ไปก็อันเดียวกันเราเกิดมาเพื่ออะไรก็เกิดมาเพื่อแก่เจ็บตายเท่านั้นเพื่อ อ, อื่นไม่มีในส่วนสกุลหนา่างกายในส่วนจิตใจผู้ทํากุศลพล้นบนก็เกิดมาเพื่อสร้างกุศลผู้ไม่สร้างกุศลพล้นบนก็เกิดมาเพื่อสร้างบาปมันเป็นเรื่องของใครของมันคําสอนพระพุทธศาสนาะเบื้องต้นสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิ เบื้องกลางสอนสวรรค์พรมเต็มภูมิเบื้องท่าอสอนนิพพานสมบัติเต็มภูมิมนุษย์สมบัติคืออะไรบ้างหนึ่งเว้นอบายยมุขสองมีเสียง้าบอรที่สุดหนึ่งเว้นอบายยมุขหนึ่งละอายต่อบาปกลัวต่อบาป ทำเป็นโกกรคกบาลคุ้มครองโรคสองแบะอย่างควา ม, วาม ล, อาลามะอายตาบาบความกลัวตาบาาเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้พระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็ยืนยันอย่างนี้เมื่อละอายตาบา่าเมื่อกลัวตาบาาแล้วก็ต้องมีเซนห้าบริบูรณ์เมื่อมีเซนห้าบริบูรณ์แล้วก็ไม่ใช่ได้อย่างรุ่งแล้วเมื่อเซนห้าไม่ใช่ได้อยา่างรุ่งอบายยมุขแล้วก็เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวคําสอนพระพุทธศาสนาพัฒนามนุษย์บัตร พัฒนาพัฒนามนุษย์สมบัตสิสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวแล้วทาไมเว้นอบายามุกก็เป็นมนุษย์จิตวัดก็เป็นสวรรค์บัติก็เป็นพรหมจิตวัดก็เป็นพญานพานจิตวัดอยู่ในตัวเลยพระมจรย์เบื้องต้นก็คือสินห้าละอายต่วบาวครัวตอ่อว่าวเป็นคนไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดเลยสิ่งไหนไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจ ทำไมจึงไม่ใช่ไายจะล่วงละเมิเพราะเห็นว่ามันเป็นทางชิดหายดิ่งลงไปเป็นมหาสมาทิฏฐิบางต้นแล้วเมื่อมีมหาสมาทิฏฐิบางต้นแล้วมหาสมาทิฏฐิบางปลายก็คือพระรหันธ์พมจันจาร์บางต้นของพุทธศาสนาก็หมายสุปฏิปโนเป็นต้นไปต่ำกว่านั้นลงมาพระพุทธศาสนาใหม่ยเลยทำไมจึงมีโลกีมาปนไป ออพระเอาคําสอนพระพุทธศาสนามาปนเปกับคําสอนของรัฐที่อื่นๆซึ่งพระพุทธพโนโชว่วยยายะสามีจิเท่านั้นพระบรมศาสดายืนยันว่านี่นะสามพระของพระพุทธมีพระภาคานี่พนะระมรรจันท์เบื้องต้นไว้คำว่าสันติที่โกในทางพุทธศาสนาความมันกันหมายเอาพัทสุจาวันเป็นต้นไปถ้าหมายเอาโลกีมันก็ฟันเฟือเกินไป ต้นขั้วเขาไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเขาก็รู้ว่าเขาไม่เลื่อมใสอยู่จะเป็นสัมชิตีโกไหมเป็นอยู่แต่ว่าฟันเฝือกเกินไปไม่ได้หมายอาการที่โกก็หมายถึงพระโสดาบันปัจจตังเห็นสะพะตนค้นเฉพาะใจก็หมายออกพระโสดาบันเป็นต้นไปบรรทิ่ตัวฆราวาสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนในขั้งพุทธการความหมายสุภชปรณูเท่านั้นในกรุงราชคึก ก็มีคนสิบเอ็ดละหุตถึงพระสวสดาวันที่ปกครองคาวาสทั้งนั้นสิบเอ็ดละหุตละหุตหนึ่งมันก็มีหมื่นสิบเอ็ดละหุตมันก็เป็นแสนหนึ่งครับหนึ่งมื่นพระสวสดาวันทั้งนั้นพวกคาวาสพวกในเฉพาะกรุงราชเกิดส่วนบ้านนอกข อ, ขอคาเมย์ก็ยังไม่นับอีกบ้านนารันทคาวก็ยังไม่นับเอบานนางม เ, อเมืองไพซาริโก สัมผีเวนัญชากุชินาราปาวายังไม่ได้พูดอีกอังคามกะทะกาศีโคศรวัตชีมันระเจตีวังสกุลุบัญชาระมัชชสชวเสอาสกะอวันจีคันธาระกำโพชะเหล่านี้ยังไม่ได้พูดอีกมีพระโสดาบันชกขาคามีนาคามีทั้งเพศบรรพชิตทั้งเพศก็ได้หัตลอดถึงพระราหานถึงอย่างนั้นก็ได้เพียงเขาโคเท่านั้น ส่วนคนโคลก็ไว่ใหพ้พระพุทธเจ้าองค์อื่นถึงอย่างนั้นพระองค์ก็เอาไปเป็นยุกยุกย ก, ก, ก, ก, ก, กพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกดอันนี้กะสะตะโกตะโยนถึงอย่างนั้นก็เป็นคําสอนอันย่ำยันไม่ได้รบก้าวพรบกันเลยคําสอนใดๆที่ไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนาะตั้งขึ้นแล้วมันก็ไปไม่รอดพราะพุทธศาสนาะเป็นหัวใจของโลทาทั้งหลายจึงทรงพระนามว่าโล ก, กวิถีเป็นผู้รู้แจ้งโลก อนุตรโภพิสสะธรรมสาติศรัทธาเทวมนุษยานังเป็ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์เราเราสอนเราเองเราหัดต่อเองเหมือนนายสารถีฝึกามาพระบรมศาสตราเราปฏิบัติมาก็มีพุท ธ, ธจริยาสามโลตัทจริยาทรงเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกพุทธะจริยาทรงเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ญาติรรจริยาเพื่อสงเคราะห์ญาติอย่างเททาต็ฐฐเเทมที่โลตัทจริยา ถ้างเคาะโลกอย่างเต็ที่พราะพุทธศาสนาเป็นคําสอนสอนโลกอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยแล้วจึงทรงพระนามาโลกวกิถูเ อ, อ้าถ้าชาวโลกไม่มีเส้นถ้าชาวโลกมีเส้นห้าบริบูรณ์แล้วสงครามก็ไม่มีโซตรวนก็ไม่มีเรือนจําก็ไม่มีทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีคดีดําคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่ต้องมี นอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพรา ะ, ะไม่มีเวรอยู่รอบข้างพอปลดอาวุธแล้วอาวุธปานาทิบาทอธินากาเมมุสา ส, สุราปลดอาวุธแล้วแล้วเอาเอาอาวุธศีลธรรมเข้าใส่นอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปีนเกลียวพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดมันปีนเกลียวศีลห้ามันก็ไปไม่รอดศีลห้าปกครองโลก พ, พอแล้ว กฎหมายก็ไม่ได้ต้องตั้งมาตั้งเพียงกฎหมายก็ประมาณหรือภาษีอากรก็พอแล้วถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันคดีดําคดีแดงในโรงในศาลมันจบกระเสียนเป็นกรรมและผลของกรรมมันจบกระเสียมไม่เป็นมันตามสัตว์แต่ละท่านแต่ละคนประโยชน์ คนโตเสียงเกี่ยงงอนกันคดีดําคดีแดงในโรงในศาลคนนั่นแพ้คนนี้ชนะคนนั่นชนะคนนี้แพ้ไม่เป็นปัญหาผลของกรรมจะตามเธออยู่ข้างหลังเองทั้งจําเลยทั้งโจ ท, ทั้งผู้ตัดสินและผู้ไต่ ส, ตสวนอีกด้วยอีพ่ออีแม่เอ๋ยคำว่าอีพ่ออีแม่เป็นภาษาภาคอีสานใช่ไหมผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือเชื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราดีๆนี่เองใช่หรือไม่ ผู้ไม่เชื่อกรมไม่เชื่อผลของกรรมก็คือผู้ไม่เชื่อพระพุทธรธรรมพระสงฆ์นั่นเองไม่เชื่อพระพุทธศาสนานั่นเองใช่หรือไม่นะกรรมและผลของกรรมไม่ลำเอียงเข้ากับลัทธิและาศาสนาใดๆทั้งนั้นตัดสินเธอตามฝืนฝ่ายองอาจเลยเช่นงูอย่างนี้มันไม่รู้จักบาปบนคุณโทษมันไปกินกบ ชาติหน้ากูก็กินมึงชาตินี่มึงกินกูชาติหน้ากูก็กินมึงอยู่อย่างนั่นเวนสนองเวนภัยสนองภัยอยู่อย่างนั่นเองถ้าไม่มีเวนสนองเวนภัยสนองภัยเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันใครบัญญัติบาปบนคนโทษถูกก็มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นเหลือนอกนั่นอย่าเอามาเอ่ยเลยเข้าข้างตัวบ้างเข้าข้างพักของตัวบ้าง พระปาชาที่ประเงินโรกอันนี้ใครมีเงินมากเราเสียงก็ไปข้างนั่นแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้บัญญัติเข้าข้างตัวบัญญัติเข้าข้างทำติงเทารทัธรรมธรรมมาเชื่อปไตยไม่ใช่รประชาเชืปไตยไม่ใช่โลกาเชิปไตยผู้เถือว่าว่าเมยบุญเมยบารผู้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็แปลว่าผู้นั้นสร้างกุศลผลบุญอยู่ไม่มีํารวันั้นงคืนเพราะอารมณ์ของเขาไปในทางนั่ง มัคคารมนาธรรมามัคคาเหตุกาธรรมามัคคาทิปฏิโนธรรมามคคาลมไปทางกุศลผลบุญผู้ที่ไม่ถือผู้ที่ถือว่าไม่มีบาปไม่บุญเขาก็าสร้างบาปสร้างบุญอยู่ไม่มีการวันเกินใช่ไหมกรมโมนาวักติโรโกสัดโลกก็เป็นไปตามกรรมจะให้เสมอกันไม่ได้ตลอดทั้งเพียวพันวันนะและอายุและตระกูลผู้เกิดตระกูลต่ำ พระไม่เคารพนบน้อมเพราะพระจศาสนาตลอดถึงครูบาอาจารย์และผู้ญาติ ท, าทั่วและผู้มีคุณแล้วก็เกิดตระกูลต่ำผู้จะเกิดตระกูลสูงกว่าตรงกันข้ามผู้ที่มีอายุยืนก็ไม่เคยได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากผู้มีอายุยืนแต่ว่าเคยเบียดเวียนสัตว์เคยเครียดเคยตีอย่างนี้ก็มีโรคมากแต่อายุยืนเราคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะอายุยืนแปดสิบก็อายยืนละ มันร่วงแ0สิแล้วแต่คงเคยเชี่ยนสัตแต่ถามเราตอนนี้เราก็เคยเชี่ยนเหมือนกันเชี่ยนเชี่ยนโคเชี่ยนกระบือเข้าใส่ไถและไถเอ็ทีนี้เราก็เป็นคนมีโรคมากแต่อายุยืนอยู่ใช่ไหม <c oughs> นี่เราไปยิงนกเขาตัวเดียวเท่านั้นแหละเอาลูกกล้องเป่ายิงถูกจึงหัยใจอายุส5้าปีทีนี้ โรคหัวใจก็ระเบิดขึ้นนี้นั่น น, น, นันเห็นกับชาติเลยไม่ต้องว่าระชาติก่อนว่าชาตินี่แหละโลกระเบิดก็ระเบิดขึ้นนี้เลยยังไม่หายมา嘛เอาอย่า嘛าเราไปจับโคสวยเขาให้ตอนโคเพราะวันสี่ร้อยเจ็ดิบห้ากำลังเป็นบเบาะเจมสาร สองนสี่ร้อยเจ็ดห้าเขาบอกว่ามึงมีกําลังมากไปช่วยพี่ด้วยไปจับโคช่วยเขาไปจับโคช่วยบ้างเนอเขาบอกพราเขายุว่าเรามีกําลังมากก็บ่ายอไปเลยจับถึงผึนผายองคอาจช่วยขเขาเขาเอาลูกอั น, อนท่ามันออกมาเขาก็ไปนีบูกอันทะมันเอาเขาแคบเลย เอาปีลูกอันถ่าเข้มามันก็ร้องอุกอ๊กอุถือเป็นของสนุกเขาจะแปลงลูกแปลงโฉมให้มึงดอกมึงอย่าขี้หลัวมากไปหัวละมันหัวเย้ยมันทีนี้พอเสร็จแล้วก็ปล่อยออกมันจะไล่ชนทีนี่วิ่งขึ้นช้งนางนาที น, <c oughs> ทนี้พอถึงสองพันห้ารอยยี่ิบสองมันก็แปลงลูกแปลงชฉมให้เราสักเราทำแต่สองพันสี่ร้อยเจ็ิบห้าสองพันสี่ร้อยยี่ สองพัน้าราอ้อยี่สองมาแปงลงรูปแปลงสมให้เรานี่หนึ่งใส่เข็มกัดของงูเลยนี่นนเห็นกับชาติเลยเนี่สิ่งที่ชั่วก็เห็นกับชาติไม่ต้องพูดเราชาติฟังก่อนนพูดชาติเดี๋ยวนี้ละอันนั้นพูดได้ก็ไม่ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกนั่นเราก็ไม่เข้าใจอีกด้วยพูดชาติเดี๋ยวนี้ล่ะเราทำเนียตอนไหนก็เห็นเนี่เห็นเห็นไว้ตอนนั้นเราทั้งชั่วตอนไหนก็เห็นมาในชาตินี้เลยถ้าเราตายก่อนเราก็ไม่ทาราบแล้วเดี๋ยวนี้เรายืนขนาดนี้เราจึง มองเกินเกินไปข้างหลังเราทําอย่างนั้นมันเราได้ทําอะไรบ้างผลได้รับอย่างนั้นเราทําอะไรไว้บ้างในชาตินี้มันเห็นหมดนในชาตินี้มันเห็นหมดไม่ต้องชาติอื่นละเอาชาตินี้เลยอายุสิบห้าปีเป็นดักนกแต่ก่อนมันจุดไฟป่าได้เพราะรัชกาลที่หกเขาเรียกว่าตังบานเคยได้ทราบอยู่พวกนี้ตังบานจุดไฟแล้วกับ น, นกขาบก็มานกขับตัวเขีเขยวนะ แล้วก็ดักตังบานไว้นกขาบมาก็บินปลื้มมามาลงตังบานบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้แต่ว่าในสมัยนั้นมันเลิกเลิกโรงเรียนวันพระไม่เลิกวันทิศวันเสาร์เพราะไปเข้าโรงเรียนตามรงธรรมของพระซาลาไม่พอกันรัชกาลที่หเข้าโรงเรียนในวัดต้องต้องเลิกตามวันพระไม่เข้าไปตามวันพระเราก็ไปดักนกแต่ ไปจุดไฟป่าดักนกไฟป่าแต่ก่อนมันจุดได้เพราะไม่มีกระหนําและเสียงนาของท่านผู้ใดไปวันดังขํามันก็ไม่มีในโคกโคกหนึ่งทุกวันนี่อยากเข้าคุกก็ไปจุดสิเพราะเป็นคนมันมากสมัยมยนั้นคนสิบสี่ล้านเศษสมัยนี้มันหกสิบแล้วเนี่ยคนก็ไม่ยัดเยียดที่นี่เราโทษของกรรมที่จุดไฟป่าพอมาถึงบ้านห้วยทรายที่นี่ พอมาถึงบ้านห้วยทราย 2,496 มาอยู่กับหลวงปู่มหาบัวไฟไม้กุฏิเสร็จเลยใบสุธิก็ไม่เสร็จทีในสมัยนั้นท่านจะคุณมหาผาอยู่วัดศีมาคนเหนือนได้ไปเอาใบสุธิกับท่านตามสำเนาเดิมข้อโทษของกุดป่านั่นเองไฟกุฏิไม่ เจ้าของกำลังชั้นอาหารลมพัดมาตึงตึงตึงตึงมาในเวลาเดือนมีนาคมตอนจะจบมไม่เซ็ตยังจะผ้าคาตัวเม็ดโกนเ อ, อ๋ยกรดเ อ, อ๋ยเั็ตเลยยังแต่เพราะกำลังชั้นวินทบาทลมตึงๆมาโดยใจความก็คือกุติของเรามันฟูฟ้ากันด้วยฟางสมัยนั้น เราลืมลืมดอกตะเกียงตะเกียงโปะน้อยๆลมพัดเข้ามามก็พัดล ม, ล, มลงทีนู่นไม้ไฟที่นี่ลุกเพิ่บขึ้นขาวเดียวเลยผ้าจีวรผ้าสังฆาติกลับมาจากเวรทบาทก็เอาไปตากไว้ที่กุฏิก็เซ็ตเลยเนยะียงอันนี้ไม่โกนไม่พับอะไรเซ็ตเลยนั่นะเวียนเวนียนจุดป่าเวียนจุดป่าอายุสิบห้าปีเลิกโรงเรียนมา เอออายุสิบห้าปีออกจากโรงเรียนแล้วสิบห้าปีออกจากโรงเรียนแล้วลืมไปสิบห้าปีออกจากโรงเรียนสมัยนั้นเพื่อได้ปอสองเท่านั้นปอสามจบแล้วมันก็ต้องไปเรียนในในจังหวัดแต่ก่อนในมณฑลสมัยม น, นันนน้นมณฑลมณฑลโนดรสมัยนั้นไม่มีจังหวัดจังหวัดมันมายุค ก, กันสองพันสิบหเจ็ดบ้าอำเภอมณฑลแต่ก่อนก็เป็นจังหวัด เคยได้ดักปลาไหลดักปลาไหลมันถูกปลาไหลสิที่นี่เป็นโลกชงนําดีเป็นเนี้ยไปในโรงพยาบาลเขาขอสายายางยัดตรงนี้นะตรงนี้ยัดตรงนี้ยัดตรง น, รงนี้เขาก็ขยายออกมันไปออกต่อมันก็อันเดียวกับปลาไหลกินเบ็ด <c oughs> ปลาไหลกินเบ็เป็นลงนี่ <c oughs> นนกอ็อยู่อย่างนี้นะเวียนเวียนสนองไฟสนองไฟ อี่สิ่งที่ดีก็าเคการเห็นสิ่งที่ดีก็เห็นเคยได้กอบอุจจาระหลวงปู่มั่นเคยได้กอบอุจจาระหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นถ่ายออกถ่ายพิษปกติเคยได้กอบอุจจาระหลวงปู่มั่นอยู่สามปีนี่นนนนบางคนไปผูกเอเลขเราทํำอันนี้ให้ฟังเพื่อให้เข้าใจธรรมะไปผูกเอเลขกท่านแบมือออกมามันเป็นเลขกว่าอย่งไปซื่อไปก็ชิบหายตาย เพราะเราไม่มีเจตนาอย่างนั้นเราหวังจะให้คนถึงสินถึงธรรมต่างหากท่านก็บายเอาเลขแค่เราอะอเนีก็หมายเต็มตัวก็หยัยบขี้วัวเต็มตีนไม่ถูกเลยนี่เราพูดหวังให้เพื่อถึงอัดถึงธรรมต่างหาไม่ได้หวังเพื่อจะให้อาอุบายเอาเลขเพราะไม่ใช่พระเลขพระประพฤต์เพื่อคนทุกนายว่าตาสงสายไม่ใช่พระเลขไปผูกมันก็ไม่ไม่ถูกสินั่งเพราะไม่ให้พระเลขก็ก็หลวงปู่มหาให้ให้อุบายว่า ผู้ว่าอาจารย์ชั้นนี้ไม่ควรเอาจอบเอาเฉียมหรือเอาอะไรเอามือกอเอาใส่ปุ้งขีแล้วจนไปวทื่อข้างอื่นหลวงปู่มหาคสิษย์เราก็พอใจทํำเราก็ค้าอยู่สามปีไม่อยู่ปีที่แรกองค์ท่านยังไม่ป่วยปีที่สองที่สามที่สี่องค์ท่านป่วยโรคชรานี่อันนี้สมอันนี้ก็ติดมาทีนี้เวลาเราป่วยลงเรามาอยู่นี่สองพันห้าร้อยสิบเราป่วย ถ่ายไม่ออกเลยสวนก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกท้องตึงโกกเก๊กโกกเก๊ะน้ำแต่ไม่ออกผ้าก็ออกตัดเร็บพอดีแล้วกะไม่มีสายยางไม่ไม่ไม่มีถูมือสมัยนั้นหมุนเข้าหมุนเข้าในทาวันลนะัะเกาะออกมาหมุนเข้าหมุนเข้าในทาวันลนะัะเกาะออกมา ก็ออกมาก็ออกมาก็ออกมาเหมือนขี้กระต่ายเนยออกจากนั้นก็เหนียวทธเนี่ยออกจากนั้นยังมีเหนียวเธอเหนียวเหมือนยางมาตุ่มพักก็เกาะออกมาก็ออกมาก็ออกมาเราก็นึกเข็นอันนี้แหละนี่นี่นี่เนี่ยกรอบล็อปู่มันเอายังมีเอะเธอนี่คนคนเดียวนี่ห้องนี่ก็ของหลวงปู่นี่ห้องนี่ก็ของหลวงปู่ห้องนั่นก็ของหลวงปู่หลวงปู่ปล่อยให้หมู่แล้วเนี่ปล่อยให้หมูแล้ว อยู่ข้างบน อ, อ, อีกอยู่ข้างล่าง อ, งองีกคนคนเดียวหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ตัวทดอตเนี่ยไม่มีใครมาร่วมด้วยเดี๋ยวเนี่ยปล่อยให้หมแล้วเอาไว้แต่เฉพาะอันนี้กับข้างบนกับอันข้างล่างก็อันนี้สงอันนี้อเอ้าทีนี้ลูกปูมันนั่ง นั่งเก้าอี้โกนผมมันคกแค่คกแคกกือสมัยสองพันฉีร้อแปดิบเก้าเพราะมันไม่มีทางรถทางเรือเหมือนทุกวันนี่มันอยู่ที่อัทธคัตมากบ้านนอ้องฝืนมันอยู่ที่หุบเขาข้ามเขาไปจากอำเภอพนนาเอ่อกลาบเรียนลรงปู่มหาท่านอาจารย์มหาก็ผมเคยในสร้างคาราวาสกรผมเคยทำเป็นอยู่เก้าอี้ให้ก็ผมทำเถิด จะทำให้องค์หลวงปู่ถ้ากัผมไม่ทำมันก็ทับกับผมครูบาอาจารย์ไม่ทับเพราะไม่ได้เคยสร้างคารวะพูดอย่างนี้เลยกัผมเคยสร้างคารวะพอทำได้อยู่เก้าอี้ผมก็เคยทำอยู่ไม่ของเราที่ก็ผมสอดไว้มีอยู่ที่เหลือกฏติไปหารที่กัผมทำชักครูบาอาจารย์ไม่ทำมันก็ไม่ทับเพราะครูบาอาจารย์ไม่เคยสร้างโลกกัผมเคยสร้างโลกมันก็ต้องทับครูบาอาจารย์ไม่ได้ลาชึกขา ก็ผมลาชิขาเพิ่งมาบวชสองพันสี่รอยเก้าหกแปดสิหกทีนี้ถ้าก็ผมไปขอโอกาสท่านมันก็จะข้ามกายพระอาจารย์พระพระอาจารย์เป็นพระผู้ใหญ่มือขวาอยู่นี่ถอให้พระอาจารย์ประกาศทวนท่านก็ผมก็จะไปด้วยโอท่านราจะขอโอกาสกราบเดือนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านรา นึกว่านึกอยากจะทําเก้าอี้ถว า, ายองค์หลวงปู่อเออเก้าอี้พอๆนั่งได้อยู่ไอ้ที่แรกก็เค็กก็คเค็กทําด้วยไม้ไผ่ไงทําด้วยไม้ไผ่อจอจะเนีขอโอกาสสองข้างข้งที่สามก็เลยได้เออทํำซกถ้าอวดว่าตนได้ทําเก้าอี้ลเอามาทําให้มันอึกอกอกระทึกของหมู่เพื่อนนทะำไมได้เน้อ เอาเข้าป่าไปทำในป่านะอยวเอามาทำข้างนอกให้มันก็ทึกเพื่อ น, นอละเอียดถึงขนาดนั้นหรอน้องผู่มาลแล้วก็ไปทำหกเจ็วันจึงเสร็จเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ที่บ้านน้องผืองนเก้าอี้อันันทีนี้อยู่มาอยู่มาก็มีผู้เอาม้ามาเนี่ยนี่คนหนึ่งเอามาตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไม่มีที่อยู่ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีที่อยู่ก็ผมจะเอาม้ามา เขาเลยเอามาเขียนคนหนึ่งเอามาคนหนึ่งก็เอามาเห็นคนหนึ่งเอามาคนหนึ่งออกมาดูเป็นทิวแถวนี่นี่เนี่ยอันนี้สงรงจะเป็นอันนี้สงฆ์อันทํามาให้หลวงปู่มันนั่งมันเองที่นี่มีปัญหาสอนเข้ามาว่าทําอะไรก็ว่าเป็นอันิสงฆ์ของตนหมดอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นหรออันนี้สงฆ์ของครูบาอาจารย์อันิสงฆ์ของพระพุทธธรรมประสงค์นั่นมันเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วอันนี้สงฆ์ของครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อน ตลอดถึงคารวาสตลอดถึงพระทุสูตสามเณรตลอดถึงญาติโยมในทิชชีมันก็มีอยู่ไม่ใช่อันนี้สองเราคนเดียวแต่เรามีสิ่งที่บวกว่าอย่างนั้นหรอก<ม>เข้าใจนะทีนี้<ม>แต่เราไมีสิ่งที่บวกว่าอย่างนัน้ถ้าเราไม่มีสิ่งที่บวกมันก็ไม่เกิดมา ได้อะไรมาก็เป็นอา น, นิสงส์ของตนหมดที่ตรงระยำเก่งเดี๋ยวจะพูดนะอา น, นิสงส์ของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของครูบาอาจารย์พระพุทธบริษัทไม่มีดอกเลยมีอยู่แต่เรามีสิ่งที่บวกมาอย่างนั้นหรอกเข้าใจมไหมทีนี้นี่เราก็เชื่อกรรมและผลของกรรมเขาไม่ให้พูดมากดูดูเนี่ย <laughs> แต่เราพูดมากคนปากมากเราก็พูดมากที่เนี่ ไม่ไม่เอาน้ำโอ้หัน้ำออกมาแล้วอออกมาแล้วญาติโยมญาติาโยมก็ดื่มน้ำสักน้ำเลยใช่ไหมที่ น, น, นี่จะพูดอะไรก็ให้หมูเพื่อนพูดบ้างพูดคนเดียวมันเบือ่อเบื่อหูใครจะพูดอะไรก็พูดสักว่าภูมิของพระโสดาบันนี่อะไรบ้างว่อนยะนัเนื้อเออตอบได้ไม่ลําบากไม่ลําบากใจเลยภูมิของพระโสดาบัน ไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตราเท่าเข้าสู่พระเนพานไม่ต้องถึงทุติตาติสามครั้งถึงอยู่ตลอดชีวิตอันถึงทุติตาตินั้นสําหรับว่าในสังคมเฉยๆหรอกส่วนตัวของท่านแล้วเลิกได้ไม่ได้ก็ดีขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์ อ, อยู่ทั้งวันมีประมาณตราเท่าเข้าสู่พระเนพาน แล้วลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีขอเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกวันมีประมาณสามเท่าเข้าสู่ภายในพานแล่วลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีขอข้ามาโทษตอบพระทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกวันไม่มีประมาณสามเท่าเข้าสู่พระในพานแล้วลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมหัติพรสมบัติในพานสมบัติมีเท่าใดจะอุทิศจักรว่ากายกายใจเป็นมหาสมบัติอันนั้นทุนถวายต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกวันไม่มีประมาณสามเท่าเข้าสู่ภายในพาน ไม่ถือศาตราอื่นอัญญัตสตุเทศไม่ถือศาตราอื่นชัจจพิษานานิอภพอกาตุงนิทําปิสั่งเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวตีหุตุพระโสดาวันไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นอภิฐานโทษอย่างหนัก6นมาทุค่าค่ามันดาพิทุค่าค่ามิราอรหัตะค่าค่าประหารโลกยุทธบาตรทำลายพระพุทธเจ้าถึง ย, งยังบวโลเหตให้ห้อขึ้นไปสังฆเพศยังสองเแต่ ก, กันอัญญัตสัจตุเทศไม่ถือศาสดาอื่น ไม่มีในพระสวัสดวันไม่เสียดายอยากจะถือศาสนาอื่นทําไมจึงไม่เสียดายอยากถือศาสนาอื่นเพราะเห็นว่าศาสนาใดๆในโลกเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแหลยเชื่อในทางลึกนียซึ่งเพื่อให้คํานึง่งหลายๆทางนาห้อยนองของบึงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอน ใ, นใดๆก็ไหลลงถู่คาสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก พระส ว, วัสดิ awan มีความเห็นอย่างนี้เหตุนั่นจึงละสะายทิฏฐิความเห็ น, หนถือตนถือตัวในพระพุทธศาสนาไม่มีวิจิกิชาความลังเลในพุทธศาสนาก็ไม่มีศีรพตาลาสีรพตรปรามาสก็ไม่ลูกคำในพระพุทธศาสนาเลยเห็นดิงลงไปแล้วไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเสียน่าไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดอบายามุกไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพัน เมื่อเสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรพระสุธรรันถ้าเคยได้ทำเขาแต่ชาติก่อนมาก็ให้แลกกันไปซะถ้าเคยมาก่อกันชาติใหม่เขาแล้วกันซะอาาดจองเวรผูกใจเก็บในข้าไม่มีเหตุนั้นราคะโทสะโมหะอันหยาบหยาบของท่านจึงขาดไปเป็นเอกเทศไม่กลับคืนเลย เพราะท่านไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสินห้ามันจะลำบากทำไมท่านไม่เสียดายอยากเล่นอบายยมุขมันทำมันจะลำบากทำไมท่านไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้อื่นมันจะลำบากทำไมท่านไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นนัดที่อื่นมันจะลำบากทำไมเจ็ <c ats> บป่วยมาก็หายามารักษาหายก็หายไม่หาปก็ยอนตายต่อคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ฐานสินภาวนานั่นคือพระโสดาบัน ผีก็ถือเทวดาก็ถือเลขก็เล่นอบายวุกก็ล่วงละเมิดมันไม่ใช่พระสวดาดิมันเป็นพระสวสดันสวสดาสวสขาดคณีใช่ไหมพูดมีเหตุผลก็รับฟังเรียกว่าละศักกยทิฏฐิเออมึงพูดได้แต่ปากนะแต่ว่ามึงปฏิบัติไม่ได้หรอกท่านก็ไม่ได้เอาเปรียบเขาแต่ว่าเป็นธรรมก็เอามาพูดก็ฟังได้เหมือนกัน เรียกว่าละสักกายคิดสีวิกิคิดขาสีนภัตตปรมารพระโสดาบันเอกพิชีเกิด อ, อีกชาติเดียวเป็นโทสจริตษ่วกนี้จเจริญนิปัญญาสามส่วนสมถะส่วนเดียวพระโสดาบันโกลังโกละเกิด อ, อีกสามชาติจเจริญสมถักสองจเจริญสมถักสองส่วน มีปัฒนาสามส่วนพระโสดาวันสัตั์ขัตุปรรมเกิดอีก6กชาติเจ็ดชาติเจริญสมะถะสามส่วนนี้ปัฒนาส่วนเดียวพระโสดาวันขององค์สมเด็จพระบรมนาศ刹ดาของเราพระมารดาของพระมารดาของพระบรมศาสดาของเราเป็นเอกขพีเกิดอีกพืชเดียวจะไปเกิดในเมืองพาราณสี เมืองพาะรามศรีจะได้ชื่อว่าเมืองกุฎุมะวัติจะได้ตัดสรู้ไม้กากะทิงพระพะระศรีเย้าเมตไตรเข้าใจนะศีนข้าเป็นศีนข้าเป็นเนตเจศีนไม่ใชไม่ด่าไม่พ้อยมันก็ศีนสัตว์ดาวันเราดีๆนี่เองถ้าเป็นศีนศีนข้าของผู้ถือศาออสน า, าพุทธมันเป็นโรพุตระศีนเออศาสนาอื่น มีสุพัจปนโนบ้างหรือไม่ไม่มีศาสนาอื่นไม่มีสุพัจปนโนอ้างมามหากรณีพานสูตรสุพัทธะประกาศพระบรมศาสนาราค า, าอื่นถ้าเขาไม่ประมาทยัญยบวิธีของเขาเขาจะถึงสุพัจปนโนเชตยยะบ้างหรือไม่ทรามีบ้างหรือไม่พระเจ้ากยาเลยย่าเลยไม่มี เราไม่พูดเข้าข้างตัวรักที่อื่นศาสตาอื่นตัวของเขาก็ไม่ถึงพระสดาวันหนึ่งแล้วเขาจะเอาสกทาคามีอนาคามีมาจากประตูใดละ่ะคําสอนหลักไปในทางวัตถุนิยมแม้วัตถุนิยมก็บัญญัติไม่ถูกอีกด้วยพูดอย่างนั้นเช่นข่าสัตว์ไปสวรรค์อย่างนี้มันก็ขัดขวางกันแล้วใช่ไหมเอา้าพระโมคคัลลาสาเดบุตรเป็นลูกศิษย์ชั้นที่หนึ่ง ของสนชัยนาฏตบุตรใช่ไหมสันขอถูกละของสนชัยนาฏตบุตรเป็นลูกศิษย์ท่านที่หนึ่งยังไม่เลื่อมใพดดสพระาุทธศาสนาเลยพอมาเลื่อมใสพระอัศเชิก็คือศาสนาพุทธเสียนี้จึงสามารถสําเร็จพระสวสดาวันใช่ไหมนั่งมาเห็นมาเห็นอันนี้ชัดสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับสูญไปเป็นธรรมดายังเช่นเชื่อสมมุติ ระยะทำมังสับบันตังนี่เราถ้าทำมันติกจิงไดสิ่งึงเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดในความดับศูนย์เป็นธรรมดามาเห็นอันนี้จังชัดบาปจะเกิดขึ้นก็เพราะเหตุที่สร้างบาปบุญจะเกิดขึ้นก็เพราะเหตุที่ก่อบุญขึ้นทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุดับแต่เหตุในดวงตาเห็นธรรมแล้วพอแล้วครับอมาเราแห่พระโมคคัลลาฟังพระโมคคัลลาพ่อสาเร็จพระหรหัส ก็เลยไปบวชก็พอเรามศาศาจน า, ศาผู้ไม่ถึงพระพุทธรรมะสงค์ยาวังเลยจะถึงพระสสดาวันพระพุทธศาสน า, า, า, าเป็นโลกุตระไม่ใช่โลกีเขาก็ถามเหมือนกันถามผมพวกพระนักเรียนสมัยที่ลงไปภูเก็ตพังงาพมปไปเที่ยวคนเดียวผมวนีครับตั้งก๊กไห้ทพูเก็ตลาองคหลวงปู่เทพระเที่ยว ไปเทียท่ยเทราไวบ้างเที่มหาสมุทรอินเดียบ้างก็มีะ่านนักเรียนโ ho เข้ามาหาผมผมนั่งอยู่คนเดียวพระนักเรียนสมัยนั้นผมก็อยู่ในระหว่างอายุสี่สิบเดี๋ยวนีมันแปดสิบกว่าแล้วท่านอาจารย์ท่านอาจาราายาร์มหานิกายกขาทำอายุมันเป็นยังไงเออในดำในแดงในดำทำผิดในแดงในแดงก็ผิดในดำทำถูกในดำก็ถูก ความเพี้ถูกไม่ขึ้นอยู่กับนิกายใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับแต่ละท่านแต่ละบุคคลแต่ละพรรคแ ล, และพวกของใครของมันพระบรมาศาสนามาในบัญญัติว่าพระโอพระธรรมยุทและมหานิกายเป็นสาวกของข้าท่านบัญญัติแต่เพียงว่าสุติ ป, ปัทปโนชุติยยะสามีในสาพกกว่าโตเศร้าสั้งโคนี่นั่นสาวกของพระวกมีมพระเจ้าท่านยืนยันแต่เพียงแค่นั้นถ้าไม่ได้ยืนยันว่ามหานิกายหรือธรรมยุทธหรือสายนั้นสายนี่ดอกมาพูดอย่างนี้เออพูดอย่างนี้ก็เป็นเข้าข้างตัวน่าฟังมาก ผมก็พูดเป็นธรรมสิแล้วก็พูดอันนี้ก็เหมือนกันทีนี้ทําไมอ阿าระบุระกะดาบทต ร, รามาบุตรตึงไม่สําเร็จพระสวรรัสด์ัตก็ภาวนาถึงในสัญญานาะสัญญายาตนะแล้วเป็นแต่สักเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจําก็ไม่ได้บริกรรมอยู่อย่างนี้ไม่มีกลางวังงังคืน แล้วก็ตายคากันก็ไปเกิดในอรุปรพม์แปดมืนสี่พันกับทําไมจึงไม่ถึงพระโสดาบันเพราะไม่ยอมตัวถึงศาสนาพุทธเพราะยังไม่ขึ้นพุทธธรมามกะัตรธรรมามะมกะสังฆามามกษัเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีไตซาคมเกิดขึ้นเหตุนั้นเพราะเรามาศาตนาจัสรู้แล้วจึงจะไปหาจําพวกนี้ก่อนเพราะนึกถึงถึงคุณของท่านพอไปแล้วก็บอกว่าวันนี้ ชินลมพานไปแล้วเจ็วันแล้วเสียดายหนอถ้าเราถ้ายังอยู่ก็จะถึงพระโสดาบันท่านพูดงนี้แล้วก็เลยไปหาปัญจวัคคีนะไปพบตาพุทสะปันญิกะเดินสวนทางมาพวกอนักธรรมตีมันรู้จักแล้วอันนี้ไม่ต้องกล่าวก็ได้หรอกศาสนาศาสนาพุทธมันเป็นศาสนาโลพุตระมันมันไม่เป็นศาสนาที่เปลี่ยนแปลงไปไหนอะ พระธเจ้ า, าองคไหนๆมาก็มาบรรยับอันเดียวกันมีปัญหาสอนเข้ามาว่าทำไมปฐมมาการเบื้องต้นจึงไม่มีปา ร, ราชิกสีทั้งทายทิเศษเสีสาอันนี้ยอดสอนี่ยยรติีสปฏิเี๊ยปสองปฏิเศษสัญสยเสเสียวัดเจ็เจ้าอธิกรณะสมถรเมีเก็ดทำไมจึงไม่คดไตรศีขาเราก็ขอตอบว่า มันโคตรใจเสียขาแล้วอัตถังคีโกมัโกเสยญะที่ทางสมาธิสมาธิโกวายชากรรมันโตอาชิวายามุสติสมาธิมันมีในธรรมจักกะปวัตระสูตรแล้วมันโคตรใจเสิกขาแล้วอยู่ในตัวเหตุฉะนั้นมันจึงพ่นเอาพ่นเอาพ่นเอาพ่นเอาเพราะนั้นมาฟังทาแต่ละวรนละบาตส่งต่อพระพานหมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้แก่กล้ามาแล้วกันเทศกันเดียวกัน คนหนึ่งไปฟังถึงพระสวราบันคนหนึ่งไปฟังก็สําเร็จพระานารณเทศกันเดียวกันเอ้าทีคณะอักฤษธนคดไปหาพระบรมศาราที่ถ้ำสุกรขาตาภูเขาคิดตะกูดข้างภูเขาคิดตะกูดภาษาเรือตดทางานพัดอยู่ข้างหลังทีคณะอักฤษธนคดไปกราบทูลพระบรมสาราเบื้องต้นจนถึงที่สุด ถึงที่สุดคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารเวที่ยงเป็นทุกข์ไปนาตาเกิดขึ้นแล้วแพร่ผหน้าแจกสลายดุจเหมือนดังหัวฝีเนอ้อเธอจองพิจารณาให้จริงส่วนภาษาเนี่ยบททํางานพัดยกข้างหลังก็เอาพระรหัสไปกินแลย้ยส่วนท่านนั่นถึงพระสสดิ์บัลเท่านั้นนั่นนั่นนัแต่ละบาดระบาดส่งต่อพญพานหมดทีนี้ถ้าตอบนักทําเอกทุกวันเนี่ยผมไม่ตอบเหมือนเก่าเน้อ อ๋อสมมติผูกคาถาผูกธรรมธรรมะนักธรเอกขึ้นอย้านี้แหละอ๋อผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเล่าถ้าตอบให้ตาถูกตามสนามหลวงก็บอกว่าเป็นสมถะเพราะเพราะเพราะภาวนาพุทโธถึงอุปจารสมาธิตอบอย่างนี้มันก็ถูกทีนี้ให้ผมตอบทุกวันเนี่ยผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นนะผู้ภาวนาพุทโธพุทโธ ท, ทุกวันนี้จะว่าสมถะหรือวิปัสสนานั้น ก็ยังไม่ใช่มันก็ขึ้นอยู่ภพเพรจักตะปุตะตาพุทธิสร้างความความดีมาในฟางก่อนเพราะปัญญาไม่อยู่ระดับเดียวกันยกวัาหอนที่บริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ข้องกัดลมท่าใจเขาออกนั้นผู้บริกรรมพุทโธพุทโธเห็นความเกิดความดับของตนที่เรียกว่าวัชีสังขารด้วยจิตตสังขารอยู่เห็นลมลมเข้าลอมออกเกิดดับอยู่หารา์ทว่างไม่ได้อย่างนี้ข้อมกับลอมเข้าลมออกภาวนาพุทโธพุทโธอย่างนี้ เขาเห็นทางสมถะและวิปัสสนาควบกันอย่างนี้จะว่าอุปจารและสมาธิมันก็ไม่ถูกเพราะมันขึ้นอยู่กับปุ๊เพกกตะปุญญาตาบุคคลผู้ทําความดีได้ในปางก่อนยกกระท้อนอีกผู้บติกรรมและชอละนางและชังธณตินั้นมันก็จะน่าเป็นบริกรรมภาวนาฉะนั้นจึงแต่ฉนันแนพปะดิสัมพิทาสี่เล่าเราจะตอบอย่างนี้ทุกวันเนี่ยก็เพราะเหตุว่าปุ๊เพกกตะปุญญาตามีไว้ทําไมผู้จะทําความดีมในปางก่อน นิสยปะปฏิโยนิสัยที่ทําแล้วในฟังก่อนมันก็มาเป็นอัญญะมัญญะซึ่งกันและกันคําสอนแต่ละบวระบอดชงต่อพระนิพพานหมดถ้าอย่างนั้นพระพาหิยะไปฟังเทศบทเดียวก็สำเร็จพระหันแต่ฉาเน่ยเป็นสามิทาสีนะั้นมันก็เป็นของเทศสิพระพาหิยะก็ฟังเทศแต่เป็นจะเพียงว่าเป็นจต่ักวารูปเป็นจต่ักว่าเห็นเนอพระพาหิยะเอ๋ยออพระพาหิยะไประกวนฟังเทศพ ร, พระบรมศาสดา ที่กําลังบินทบาทอยู่นั้นเออเราบินทบาดอยู่ไม่สมควรจะมารบกวนมันไม่เหมาะสมบางทีพระบรมศาสตราสิ้นลมปานเดี๋ยวนี้ก็ได้บางทีก็ะผมสิ้นลมปานเดี๋ยวนี้ก็ได้ทําไมพระบรมศาสตราจึงถามอย่างนั้นไม่รู้จักกิตของเขาหรือรู้จักกิตเล้วถ้าไม่ถามอย่างนั้นมันก็ไม่มีวิธรรมศากัจากันเพื่อให้พระทั้งหลายที่ตามหลังฟังให้เข้าใจเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเนอเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็น ครับพอแล้วไปแล้วแต่นี่สําเร็จพระอรหันต์แล้วทำไมจึงเป็นอะไรพระเทศอนัตตาใส่เป็นรักษาวารูปเป็นรักษาว่าเห็นเธอจะไปยึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนอเนี้ยจะเป็นวิญญาณเป็นสนวทิศเ่คล้ายๆกับไหวอย่างนั้นแหะทีนี้ครับพอแล้วนั่นคําแต่ละวัระบาดส่งต่อพระญพานหมดเช่นบางท่านเขาบอกว่าละโฉลนังระชังหารติละโฉนังระชังหารติ ก็น่าจะเป็นบริกรรมภาวนนะาทําไมชิงแตกฐานในไปได้สามพิธาสี่เหล่าก็เพราะบารมีแก่ก้ามาแล้วดอกบัวตูมแล้วใช่ไหมนั่นพระบรน ศ, ศ, ศ, ศาสลาเชื่อว่าดอกบัวสี่เหล่าในครั้งพุทธการ <c oughs> เดี๋ยวนี้มีไหมดอกบัวสี่เหล่าก็มีอยู่ทุกการดอกบานก็บานเต็มภูมิเหมือนครูบาอาจารย์ที่พ้นไปแล้วดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิเหมือนพระสกัดอนาคามี ดอกตูมมาเอกลงมาเอกก็เหมือนพระอืมดอกดอกตูมขนาดหนึ่งก็เท่ากับว่าพระอนาคามีดอกตูมมาต่ํำลดร่นลงมาเอกก็ค่ายพระสกทาามีดอกตูมพอพ้นจากน้ําก็ค่ายพระโสดามันดอกเสมอน้ําและดอกใต้น้ําก็เหมือนผู้ถือผีบ้างถือพุทบ้างดอกใต้น้าก็เหมือนผู้ถือไม่มีบาปไม่บุญ ผู้ถือไม่มีบาปไม่บุญนั่นคือเสียงคําพูดนั้นคืออะไรคําพูดนั่นก็คือถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนจอบขุดดินฝังตัวเองเสียงปฏิเสธนัอามีบุญมีบาปไม่ใช่เสียงปฏิเสธอันอื่นเสียงจอบขุดฝังตัวเองใช่ไหมผู้ถือไม่มีบาปไม่บุญมันก็สร้างบาปอยู่ทุกวันไม่มีกัางวันกลางคืนผู้ถือสาธนาพุทธอารมณ์ของเขาก็ไปในทางบุญว่าทางบาปบ้างที่เป็นโลภี ส่วนพระโสดาบันแม้จะไปในทางบาปก็ตามแต่บาปของพระโสดาบันเป็นโลกุตระบาปสามารถจะละได้ไม่วนเวียนบาพระสกทาคามีก็เหมือนกันบาพระอนาคามีก็เหมือนกันบาพระอนาคามีเป็นอนุใยนอนเนืองอยู่นิดหน่อยเพราะสำคัญตัวรูปราคะความติดใจอยู่ในรูปธรรม เช่นชอบใจในบุคคลบางคนหรือในพัสดุบางสิ่งอรูปราคะชอบใจอยู่ในอรูปธรรมเช่นชอบใจในสุขเวทนาภาวนาไปติดสุกเวทนาก็ติดอยู่หนักหนักหนันนนกคำศึกคําสอนพระพุทธศาสนาลึกซึ้งเพียงใดเล่าไม่เป็นฐานันดนรศักดิ์แมลงวันจะมาเลื่อมใสกับเกสรดอกไม้ก็ไม่เป็นฐานันดนรศักดิ์ ของมะแลงผู้มะแลงเพิ่งจะไปยินดีมูดพูดเหมือนกันถูกไหมกรมมุนาวัตติโลกโกสพระโลกไม่ไปทำกับเดี๋ยวเดี๋ย ว, วรับพระรับพระมีอะไรก็รับตามภาษาของเราพอได้ยินว่ามหาเถระอย่างนี้จิตใจก็น้อมถึงพระสมมาพระพุทธเจ้าไม่ได้กักตุนไว้ มหาเทระชั้นที่หนึ่งคือพระธรรมาสัมพุทธเจ้าชั้นที่สองคือพระปจกทั้งหลายชั้นที่สามอรหันตาชีนาศพทั้งหลายทั้งที่เป็นเพศหญิงและเพศชายด้วยชั้นที่สี่คือพระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าคือพระสกทาคามีทั้งหลายชั้นที่หกคือพระโสดาบันพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้เป็นมหาเทระโลกุตาละ เมื่อว่าพวกเราทั้งหลายทําผิดท่านด้วยกายกรรมสามวิกีกรรมสี่มนุษย์กรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พูก่อก่อนก็ดีในปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปขั้งหน้าก็ดีขอให้พระมหาเถระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณพ้นทุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงพ้นจากคองทุกข์ทั้งพวงโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อทืนในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่ไม่ในมาในที่นี้ก็ดีทั่วทั้งไตรโรกา ถ้าต่างฝ่ายต่างทําผิดกันด้วยกายกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พอ ก, ก่อนก็ดีพวกเราทั้งหลายต่างฝ่ายต่างให้อภัยแจยกันและกันทุกท่านหน้าอยู่โดยทกเมื่อผลสุดท้ายพวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าทอทั้งตรโรกายงประสบแต่ความสุขความเจริญในบว ร, รพุทธศาสนาของพระสมัยทพุทธเจ้ายิ่งยงขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนทุกท่านหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเทืน อ, อาหัางตุงแห่ฮิพีเมขอฆมิตราง ยัตถะปังกตังกมังกุสเลนะภิน ย, ยติโสมังโลกังบาบาเศรษฐีภงโตรจันติมาอภิวาทนาเสลิศะนิสังวุฒาปะจาโยชัตาลุกธรรมาวัทันติอายวันูสุขังพระลังทำไมจึงทำวัดเพื่อทั้งใจโลกธาตุมันไม่ผิดดอกหรือมันไม่ผิดพระเขารับธรรมอันไม่มีเวรมีภัยเข้าเทศเข้าว่าเานี่ยเข้เาวอไร้าือา้อแล้วเข้าพระมนาพูดเดียวเข้าเขาไปเอาไร้ปัญญานี้เลยอันนี้ก็ยังว่าโวหารกระหารลงกว่า หาใจฮะโมหานก็หาลงมาหาเอกันิบาตคือใจสังฆโหลงมาใจใจไตรสิกขากรวมพลอยู่ที่ปัจจุบันเป็นเอกันิบาต ฉันทะพอใจแในไข้ในกรรมฐานที <go van ism> ่ตั้งไว้วิริยะเพียรหมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิตต์เอาใจฟักฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสาหมันติตองพิจานาในกรรมฐานที่ตั้งไว้สัจชาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะความเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารับรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้อันแห่งเดียวกันเอ้าใครเรียนนโมจบ ก็พระอรหันต์เรียนนโนมูโมแปลว่าน้อมน้อมพระอรหันต์น้อมน้อมจนไม่มีกิเลสใช่ไหมพระสวสดบิบา น, น้อมน้อมไม่หลงทางใช่ไหมนั่นคเรียนนโมจบก็พระอรหันต์เท่านั้นเรียนโนมจบขั้งพุทธการมีเรียนถึงปัญญาเรียนถึงเกประโยคใช่ไหมขัางพุทธการเรียนถึงเก้าประโยคเหมือนกันมัดสีฝนสีนิพพานหนึ่งไม่ใช่เก้าประโยคดอกหรือนั่น <laughs> ถูกไหมนั่น ปัจจุบัพระสวัวันปัจจุบันสักคาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระสานจะเอามาเทียบกันไม่ถูกเพราะมียิ่งยอนกว่ากันทําบาปวันไหนก็ต่ออายุของบาปวันนั่นใช่ไหมทําบุญก็วันไหนก็ไปฉลองใจวันนั้นทําบาปวันไหนก็ไปฉลองใจวันนั่นใช่ไหมงั้น ทำบุญวันไหนก็คือทำบุญวันเกิดเพราะเกิดอยู่จึงได้ทำบุญทำบุญวันทำบาปวันไหนก็ทำวันเกิดนั่นเองเพราะเกิดอยู่จึงได้ทำบาปใช่ไหมพ้อใจมันไปเกิดบาปใช่ไหมออืถ้าทำบุญวันไหนมันมันก็เกิดบุญอยู่ที่ใจวันนั้นขณะนั้นะ ทำบาปคณะไหนก็เกิดบาปอยู่ที่ใจคณะนั้นเรียกว่าทําบาปคู่อายุเรียกว่าทําบุญคู่อายุเรียกว่าทาําทบาปในวันเกิดเรียกว่าทําบุญในวันเกิดเหมือนกันคนตายทําบาปบุญไม่เป็นใช่ไหมวิญญาณไม่อยู่ในที่นั้นชัดไหมอันนี้ดูทุกคนแต่ก็ทําบาปวันเกิดอยู่ทุกท่านก็เว้นพลังหันซักคนตายทําบาปทําบุญไม่เป็น ก่อนนกสักกูหน้าอันว่านกทั้งหลายสูงนัน่นบ่พระเพรชตาเอาเวลาหอนสุใดใดในรอบร่นโดยใต้อำนาจไตรรักษ์เกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนและแตกสลาลัยท้ารมานโนโภะกรวาพระบรมศาสตราทรงพระชนมาอยู่เอวังบัหูลังฆาวาเกเมเนเ ต, ต เทศอนิจังทุกขั้งอนัตตามากกว่าเพื่อนเพราะเป็นนิยานี้ก็ทํานําสัตว์ทั้งหลายให้ออกจากวัฏสงสารสิ่งที่มีวิญญาณครองเสิงแล้นมีวิญญาณครองเสียงอยู่ใต้อํานาจไตรลักษณ์ทั้งนั้นนิมิต ท, ทั้งหลายก็อยู่ใต้อํานาจทั้งนั้นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปนิมิตเพ่งนามเป็นอารมณ์เรียกนามนิมิตรูปนิมิตนามนิมิตก็เกิดจัดเป็นบางท่านยืนยันว่า ภาวนาไปเห็นดวงแก้วแล้วก็พ้นทุกในวัฏสงสารเราไม่ลงเอยถ้าตายคาภาวนาดวงแก้วก็ไปเกิดในพรหมโลกที่เป็นรูปประภุมไม่ยังไม่ได้ข้ามโลกเลยเพราะยังไม่มียาณว่าเบื่อหน่ายใครเมาในวัฏสงสารเป็นเพียงตายคาภาวนาเท่านั้นในเม็ตรแปลว่าเครื่องหมายรูปในเม็ตรนามในมิตก็เกิดจะเป็นเหมือนกันหมดกําลังก็ถอนออกมา แม้ น, นิโรธสมาบัติก็อยู่ใต้อำนาจอันิจังหมดกำลังก็ถอนออกมาเหตุนั้นพระบรมศาสตราจึงไม่ยืนยันนิพพานในนิโรธสมาบัติทําไงท่านจึงเข้าปฐมฌานพุทธิฌานตัติยฌานตาตอ ต, ต, ต, ตลอดทั้งลุปฌานอุลุบฌานแล้วเข้านิโรธสมาบัติมันก็เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฉยๆท่านเข้าแต่ ถ้ไม่ติดอยู่ในรูปและอารูปททางหลายเรารู้สังขารตามเป็นจริงของสังขารเรารูา้ปัญพานตามเป็นจริงของปิญญาแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสอง ถ้าเราติดอยู่ในพระนราลก็เรียกว่าเราไม่รู้พระเนรพลถ้าเราติดอยู่ในสังขารก็เรียกว่าเราไม่รู้สังขารเหตุนั้นวิญญาณปติสนธิของเราจึงไม่มีเราไม่ติดอยู่ในที่ใดๆด้วยวิญญาณดับไปก่อนนามรูปก็ดับไปณนะที่นั่นเองครับหรวงศาสตรจะที่สมมุติว่าท่านตัดทะูุแล้วใหม่ๆท่านก็เสวยในมุติสุก อชาชบาละรนี่โคตรหรือแห่งใดแหงหนึ่งทั้งเก็บแหงเกตเกตเป็นสีุ่เก้าวันนั้นพอไปได้วันละคำชั้นข้าวของนาสุดชาดาสี่จุเก้าคำก็ไปได้วันระคำพระสวยปีติว่่นะัะเสวยมุติสุขว่นะ้เราพูดกันเพื่อให้รู้ความหมายไอ้ที่แท้พระบรมศาสต ร, ร า, ส, รราสำคัญตัวอยู่ในที่ใดก็ไม่รู้ได้ พุทธวิสัยใครจะไปรู้ได้ที่พระอนุรุทธะตามพระบรมาศาสตราเข้าชาญก็ตามได้เป็นบางครั้งบางคราวจะไปตามทันพระบรมาศาสตราทุกๆขณะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ทรงสนเสริญพระมหาสารีบุตรมีปัญญามากท่านก็ทรงสนรเสริญตามฐานันดรจักของสาวกเฉยๆเหนือเราไปแล้วท่านมาแลีวพูดพระบรมาศาสตร า, ษ า, ษ า, ษา เช่นทรงสนเสริญพระศรีวารียวเป็นภูมิรับมากมีรับมากเหนือเราไปแล้วพระบระมศาสดาไม่ได้พูดพระบรมศาสดาฉลาดในเทศนาเวทีควรยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงตอนไหนก็ยกย่องเฉพาะเฉพาะพระองค์ไปบางท่านก็บอกว่าพุทธโธพุทธโธนี่ข้าพระเจ้ารู้ดีพุทธโธเนี่ย พุทโธแปลผู้ระบาบบำเพ็ญบุญธรร ม, มซึ่งไม่สงรงไม่ซึ่งรงงะบาบบำเพ็ญบุญพัดสังโฆแปลปฏิบัติระบาบบำเพ็ญบุญถูกแล้วแต่ไม่แยกพุทโธแต่ไม่แต่ไม่แยกผู้ลูกออกตีเสมอกันหมดข้าก็ฟังไม่สนิทผู้ลูกของพระสมรัมมาทัตพุทธเจ้าทั้งหลายผู้รูกของพระประเจชทั้งหลายผู้ลูกของอรหันตากีณาศพทั้งหลายจะไปตีเสมอกันไม่ได้ไมียิ่งย o อนกว่ากัน ปัจจุบันก็เหมือนกันปัจจุบันพระสุรวรรณปัจจุบันสักการะมีนาคามีอาณาหารพระประเจดพระสมารพระพุทธเจ้าจะไปเทียบเสมอกันไว้ได้เพราะมีน้ำหนักกว่ากันช่างก็ดีราชสีกว่าดีจะเทียบน้ำหนักกันในปัจจุบันมันก็มียิ่งยอนกว่ากันใช่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นถ้าจะไปตีเสมอกันหมดมันก็เป็นปรารษายกตนเทียมท่านจะรู้สักเพียงไหนก็ไม่ถึงพระบรมศาสดาพระบรมศ า, าดสดาทรงพระนามว่าสมาสม พทโธโลกัพยทูสาวกจะรู้สักเพียงไหนก็ตามก็เป็นสาวโกสาวิกาโรกวิยทูเท่านั้นใช่ไหม <c oughs> ถ้าอย่างนั้นปฏิสัมพิธามีไว้ทําไมผู้แตกฉานในอัดในธรรมในปฏิภาณมีไว้ทําำไม่ปฏิสัมพิธาสีมีไว้ทําไม่บางท่านก็บอกว่าทำข้อนั้นไม่มาในพระไตรปิฎกข้าไม่เชื่อ ตรีเปลว่าสามถ้าพูดเป็นสามก็กายวายก า, า, า, ายใจตรีเปรดอกกายตรีเปรีดกวายใจตรีเปรดกใจถ้าพูดเป็นเอกติดกันิบาศถ้าพพูดเป็นทุกกันนิบาศก็กายกับใจแบ่งเป็นห้ากองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าพูดเป็นทุกกันนิบาตก็กายกับใจถ้าพูดเป็นเอกกนิบาศก็มโนภูมบังเขมาธารมามนุสเดชธรรมนุสยานัดนัด ถ้าอย่างนั้นสังกโหมีไว้ทําไมอะสังกโหมีไว้ทําไมอะสังกโหคือไม่สมเคราะ์สังกโหคือสมเคราะ์ลงมาไตรสิกขาสมเคราะลงมาเป็นหนึ่งไตสิกขากับสิณสมาธิปัญญาก็อันเดียวกันไตรสิกขาหมายความถึงสิณสมาธิปัญญาด้วยสิกขาบทหมายเป็นบทหนึ่งหนึ่งทำแต่ละวรรบาศครบไตรสิกขาหมดมันขึ้นอยู่กับผู้แตกฉานถ้าอย่างนั้นปัจจสมิภารสีมีไว้ทําไม อัตตะปฏิสัมพิทาแตกฉานในอัตธรรมะปฏิสัมพิทาแตกฉานในธรรมนิรุตติปฏิสัมพิทาแตกฉานในนิรุตติปฏิภาณปฏิสัมพิทาแตกฉานในปฏิภาณมีไหวพม่ามันก็มีไว้เพราะเป็นอย่างนั้นความรู้ไม่สุดอยู่กับท่านโพนอะไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ยิ่งกว่าเพื่อนจึงทรงพระนามว่าชยมภูเป็นผู้ตัตทลิรู้เองโดยชอบ